13บ้านรางและสถานที่สุดเฮียนสยองขวัญในตำนาน 2. บ้านผีตายหงนอเจอกบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ1ิปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมฆ่ากันตายภายในบ้านหลังจากนั้นก็ไม่มีใครอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้อีกเวลาผ่านไปไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาผูกคอตายภายในบ้านหลังนี้ซ้ำอีกแล้วมีคนนำศพจากการฆาตกรรมเอามาทิ้งไว้ใต้บันไดเพื่ออาพรางคดีหน้าที่แห่งนี้อีกด้วยบ้านหหดผีสิงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่น้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอมเภอบางเลนได้มีเรื่องเล่ากันว่าลูกสาวของเศรษฐีคนหนึ่งได้ไปหลงรักกับแฟนหนุ่มซึ่งมีฐานะด้อยกว่าแต่เป็นคนขยันถึงอย่างนั้นพ่อของฝ่ายหญิงก็ไม่ชอบลูกเขยคนนี้สักเท่าไหร่เพราะอยากให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับคนที่มีฐานะร่ำรวยเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าอย่างไรลูกสาวก็รักชายหนุ่มคนนี้มากพ่อของฝ่ายหญิง จึงออกอุบายล่อลวงแล้วยิงแฟนหนุ่มว่าที่ลูกขยตายคาบ้านหลังนี้จากนั้นนําศพไปทิ้งไว้ในบ่อน้ําหลังบ้านซึ่งคราบเลือดของชายหนุ่มที่กระเซ็นเลอะติดอยู่ที่ฝาบ้านก็ยังคงมีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ต่อมาเมื่อพ่อแม่ของฝ่ายชายทราบเรื่องนี้จึงได้จัดการหามือปืนมาฆ่าพ่อของฝ่ายห และก็สาเร็จสิด้วยสุดท้ายบ้านหลังนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนฝ่ายหญิงไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ยามดึกมักจะมีคนเห็นชายหนุ่มผมเปียกน้ำมายืนรอแฟนสาวอยู่เสมอจนกระทั่งล่าสุดไม่รู้อะไรโดนใจได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาผูกคอตายที่บ้านหลังนี้อีก บ้านผีท่านขุนจังหวัดอยุธยาบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักเก่าสมัยรัชกาลที่หมีครองซึ่งสามารถมองเห็นได้อยู่ไกลๆหลังจากที่เจ้าของบ้านเสียชีวิตไปแล้วบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างวันหนึ่งมีชาวบ้านพายเรือผ่านมายังบริเวณ น, นี้ก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนอยู่บนเรือนแต่งชุดโบราณสมัยรัชกาลที่หเป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งนักและยังเคยมีคนมาลองของที่บ้านหลังนี้ซึ่งก็ได้เจอดีกันทุกคนจนอยู่ไม่ได้สุดท้ายต้องกลับมากราบไหว้เพื่อขอคมาในสิ่งที่ทำผิดไปบ้านบันไดแดงรงังสิตบ้านนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกโครงการหนึ่งเป็นบ้านตึกสีขาวหลังใหญ่ภายในออกแบบกึ่งสไตล์บ้านยุโรปมีบันไดขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางบ้านและบันไดนี้เองที่มีสีแดงติดอยู่ตามบันไดมีเรื่องเล่ากันว่าบ้านหลังนี้ขณะที่ทําการก่อสร้างได้มีคนงานตกลงมาตายทําให้ไม่มีการดําเนินการก่อสร้างต่อและปล่อยทิ้งไว้ จนกลายเป็นบ้านหลังต่อมาก็มีคนมาผูกคอตายที่นี่อีกติดต่อกันถึงสามศพที่หน้าบ้านบนจั่วตรงกลางบ้านและบริเวณชั้นสองของตัวบ้านต่อมาก็มีการไปลาดท้าผีของรายการหนึ่งซึ่งเอาสีเขียวไปทาที่บันไดทับสีเดิมทำให้เกิดการดราม่าเป็นอย่างมากจากนั้นมีรายการอีกรายการหนึ่ง ได้มาทาสีแดงรับกลับไปอีกรอบชาวบ้านละแวกนั้นเชื่อว่าการที่มีคนมาผูกคอตายที่บ้านหลังเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าน่าจะเป็นเพราะความเฮี้ยนของผีคนงานที่ต้องการให้มีตัวตายตัวแทนในบ้านหลังนี้บ้านผียายสวงจังหวัดอยุทยาได้มีเรื่องเล่ากันว่าบ้านหลังนี้ มีหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแกชอบกินหมากเป็นอย่างมากเมื่ออายุล่วงเลยไปตามวัยโรคต่างๆก็รุมเรา้าสุดท้ายยายก็ได้เสียชีวิตลงภายในบ้านพร้อมกับโลงศพที่พบอยู่ในบ้านซึ่งยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ผู้คนแถวนั้นพูดว่าพวกเขามักจะดินเสียงของคนแก่พูด และเสียงตาห ม, มากอยู่ทุกๆคืนบ้านนายพลขีสิงห์จังหวัดชนบุรีแต่เดิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศของนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้มียศเป็นถึงนายพลซึ่งนายพลและครอบครัวได้เดินทางไปเที่ยวแต่ระหว่างทางเกิดประสบอุบัติเหตุ รถพลิกคว่ำจนเสียชีวิตทั้งครอบครัวต่อมามีคนเข้ามาอยู่อาศัยซึ่งก็มียศเป็นทหารเช่นเดียวกันก็ได้เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นอีกโดยครอบครัวของทหารนายนี้ได้ถูกฆาตกรรมทั้งครอบครัวภายในบ้านแล้วสบทั้งหมดก็ถูกนําไปยัดไว้ในห้องใต้ดินจึงไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่อาศัยบ้านหลังนี้อีก เพราะเกรงว่าจะเจออาถรรพ์เข้ากับครอบครัวของตนในที่สุดบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างแต่ก็ยังมีคนต่างถิ่นเข้ามาขู่คอตายในบ้านอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็เพิ่มความน่ากลัวของบ้านหลังนี้เข้าไปอีกเคยมีคนบอกว่าเห็นควันทูบลอยขึ้นมาในบริเวณบ้านหลังนี้ด้วยสุ ส, นสานศพไร้ญาต จังหวัดชนบุรีสุสานแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศพไร้ญาติทั้งหลายซึ่งถูกนำมาฝังไว้เป็นสุสานไร้ญาตินับร้อยนับพันศพขุดเรียงรายกันเป็นทิวแถวยาวหลายคนเล่า ว, ว่าที่สุสานแห่งนี้กลางดึกมักมีคนได้ยินเสียงและพบเห็นผู้คนเดินเพ่นพ่านในสุสานนี้เต็มไปหมดสุสานแห่งนี้ จึงเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่ากลัวในจังหวัดชนบุรีบ้านร้างพระรามเก้าเป็นบ้านขนาดใหญ่มีประวัติว่าเคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันถึงสิบคนต่อมาผู้เป็นพ่อได้ทำการฆาต ก, กรรมครอบครัวของตัวเองตายยกครัว ก่อนที่จะยิงตัวตายตามหลังจากเรื่องนี้เงียบไปก็มีคนมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นอีกจนครอบครัวนี้ถูกไฟคลอกตายยกบ้านอีกครั้งทำให้ตอนกลางคืนผู้คนไม่กล้าที่จะเข้ามายังเส้นทางนี้เพราะมักจะได้ยินเสียงเดินของคนหลายๆคนไม่ก็เป็นเสียงคนร้องให้ช่วย หรือเสียงร้องไห้โหยหวนดังออกมาจากในบ้านและยังมีข่าวลืออีกว่าได้พบศพหญิงสาวถูกฆ่าตายที่นี่อีกด้วยโรงพยาบาลศิองจังหวัดระยองในจังหวัดระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ที่น่ากลัวและเป็นที่ล่ำลือของคนในจังหวัดถึงความน่ากลัว นั่นก็คือโรงพยาบาลผีสิงที่เก่าแก่และปิดกิจการลงด้วยพิษเศรษฐกิจซึ่งถูกปล่อยทิ้งล้างมาแล้วหลายปีบรรยากาศภายในยังคงเต็มไปด้วยเครื่องมือการแพทย์ตู้ยาเตียงคนป่วยหรือรถเข็นอีกทั้งยังมีประตูนหน้าต่างที่แตกหักเพิ่มความน่ากลัวให้กับโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้ขึ้นไปอีก ชาวบ้านเล่ากันว่าผีในโรงพยาบาลผีสิ่งนี้จะคอยหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางผ่านมาอยู่บ่อยครั้งโดยพบเหตุการณ์ที่น่ากลัวต่างๆเช่นในเวลากลางคืนชาวบ้านมักจะเห็นไฟเปิดสว่างในห้องของโรงพยาบาลบางคนเห็นเตียงนอนของคนไข้เขียนเองได้บางก็เห็นคนกำลังเขียนรถคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลลาง หรือได้ยินเสียงคนร้องหวยห่วนด้วยความเจ็บปวดดังลั่นมาจนถึงถนนที่รถวิ่งผ่านบรรยากาศภายในโรงพยาบาลนี้ยังมีเตียงเลื่อนของคนไข้ที่ใช้แล้ววางอยู่ตามจุดต่างๆและห้องดับจิตที่สามารถมองเห็นตะแกงวางศพของช่องเย็นในห้องดับจิตได้จากถนนด้วยกลายเป็นเรื่องราวชวนสยองเรื่องลือน่ากลัว จนถึงปัจจุบันบ้านผมผีจังหวัดกาญจนบุรีได้เกิดเหตุการณ์มีคนในบ้านตายทีละคนโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้หญิงผู้เป็นเจ้าของบ้านเสียใจเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจบวชและปล่อยบ้านหลังนี้ทิ้งไว้จนกลายเป็นบ้านหลางหลังจากนั้นเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย จนชาวบ้านนึกว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วจึงได้เข้าไปตรวจสอบดูสภาพภายในบ้านปรากฏว่าได้เจอเส้นผมอยู่ภายในบ้านเต็มไปหมดและบางคนก็ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ในบ้านอีกด้วยบ้านผีมอนจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่แห่งนี้เป็นที่เลื่องลือของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวมอญอาศัยอยู่และมีนิสัยห่วงของเอามากๆจึงมักจะดูด่าคนที่ชอบแอบขโมยผลไม้ในสวนด้วยคำรุนแรงอยู่เสมอจากการที่เป็นคนห่วงของและดูด่าเก่งเอามากๆจึงทำให้ทั้งคู่ถูกฆ่าตายแล้วนำศพไปทิ้งไว้หลังสวนแต่เมื่อตายกลายเป็นผี แกก็ยังตามไปทวงของถึงที่บ้านขโมยจึงต้องรีบเอาของกลับมาคืนแทบจะทันทีนอกจากนั้นยังมีศพชา ว, กวเกรียงเก้าศพที่ถูกวิสามันถูกฝังอยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้ด้วยบ้านล้อเกวียนซอยวัชรพลบ้านนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นกึ่งเรือนไทยอยู่ในซอยวัชรพล สาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านล้อเกวียนเป็นเพราะบ้านหลังนี้ใช้ล้อเกวียนมาทำเป็นรัว้วซึ่งเดิมทีเป็นบ้านของตายายคู่หนึ่งต่อมาเมื่อทั้งสองเสียชีวิตลงบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่อาศัยอีกปล่อยให้กลายเป็นบ้านร้างความน่ากลัวของบ้านหลังนี้จึงเริ่มขึ้นระะวางทางที่จะเข้ามายังบ้านหลังนี้ จะต้องผ่านป่าช้ารถยนต์ที่เปรียวและถนนซึ่งเต็มไปด้วยหลุมบ่อลึกจนสุดเส้นทางเมื่อก้าวผ่านประตูและล้วล้ อ, อกเกวียนเข้ามาจะเจอกับดงกล้วยก่อนจะถึงตัวบ้านบ้านหลังนี้เชื่อกันว่าวิญญาณของสองตาใหญ่ยังคงอยู่ภายในบ้านเพราะคนที่เข้าไปลองของมักจะเห็นคนแก่ทั้งสองเดินไปเดินมาอยู่เสมอ บางคนก็บอกว่าเห็นเป็นคนแก่ผู้ชายยืนจ้องที่ประตูลัวบ้างก็ว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นมาเดินไปเดินมาอยู่บนกระโปรงและหลังคารถบ้างก็ว่ารูปที่ถ่ายมานั้นจะมีเงาสีดำติดมาด้วยซึ่งก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ได้พบเจอนั้นคืออะไรกันแน่ สุสานโสเพณีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานบันเทิงที่เก่าแก่ของจังหวัดอยู่ในตำบลท่าลอซอยเาอำเภอท่าม่วงผู้หญิงที่ทำงานที่แห่งนี้มีทั้งที่เต็มใจมาทำงานและถูกล่อลวงหลอกให้มาทำงานมีการบังคับให้รับแขกอย่างทารุณซึ่งสถานที่แห่งนี้มีแขกเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หญิงสาวจึงแทบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยแม้แต่วันเดียวหากหญิงสาวคนใดขัดขืนหรือไม่ยอมทำงานก็จะถูกทำรายบางรายถึงกับโดนซ้อมจนเสียชีวิตบ้างก็ติดโรคร้ายตายบางส่วนคนไหนที่ท้องก็จะถูกบังคับให้รีดเด็กออกบางรายถึงกับตกเลือดตายก็มีจนเวลาล่วงเลยผ่านไปซ่องแห่งนี้ ก็ได้ปิดตัวลงกลายเป็นซ่องรางและไม่มีใครทราบจำนวนที่แน่ชัดของหญิงสาวผู้โชคร้ายและเด็กทารกที่ถูกรีดออกมาว่ามีจำนวนมากเท่าไหร่ทางเข้าที่แห่งนี้จะมีรั้วโปกปูนขนาดใหญ่ประมาณ 150-200 ถึงเมตรมีประตูเหล็กขนาดใหญ่และประตูเล็กที่สามารถเดินลอดเข้าไปได้ภายในจะพบป่ารก ต้นไม้ใหญ่และกลิ่นสาบที่แรงมากภายในอาคารจะพบเสาตกน้ํามันขนาดใหญ่ขวางทางเข้าอยู่ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเคยได้ยินเสียงผู้หญิงและเด็กร้องขอความช่วยเหลือพอเข้าไปดูก็ไม่พบใครเลยพร้อมๆกับเสียงนั้นก็เงียบหายไปเสียดือด้อซึ่งที่แห่งนี้คงเต็มไปด้วยวิญญาณที่มีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงไม่มีใครกล้าเดินเฉียดเข้าไปใกล้พื้นที่แห่งนี้ในยามวิกาลอีกเลย 审判自由。